เซ็นบักเซ็นวันนี้อารมณ์แจ่มต่ช้าเชียร์นะมาคืนฝันว่าถูกหวยเรื่อไงฮะใครอยากจะฝันอย่างนั้นเหมือนกันละลุงเอ้ยแต่ก็ยังว่าแหละถึงฝันว่าถูกหวยต่อให้ฝันเห็นเลขกเ็เฮะก็ไม่มีปัญญายจะซื้อหรอกบอกตามตรงนะกลัวถูกกินเล่นหัวก็เหมือนเล่นการพนันนั่นแหละเอาแน่นอนอะไรไม่ได้หรอกเห็นมานักตอนนักแล้วนะ ไม่เคยมีใครรวยพ่อหวยเลยแต่จนกับจนเท่านั้นแหละลุงเอ้ยเออเออข้าก็เคดอย่างั้นเหมือนกันละโว้ยข้าเองก็เคยบ้าหวยมาแล้วเหมือนกัน อ, อ้าวแล้วเป็นยังไงล่ะลุงกระเป๋าแฟงมันสิแค่นี้เคยมีรายไหนมั่งที่กระเป๋าตุงบาเล่นหวยนะฮะไม่มีล็อกเออแต่คนมัก็ชอบซื้อกันนักหนานะ่ะไม่รู้จะติดอกติดใจอะไรนักหนา ข้าดนำะไ่เห็นว่าจะมีรางวัลให้ตรวจอะไรนักหนาเลยฮรางวัลก็มีแค่ดิดเดียวเท่านั้นเองแล้ ว, วะ่ะแล้วก็ยังว่าและลุงมันะเป็นความหวังของคนจนเกิดมาจนไม่มีอะไรให้หวังก็หวังรวยกับหวยนี่แหละหวังแล้วได้เกินบั่งก็ไม่ว่าหรอกนะแต่นี่ถูกกินเรียบเลยกินเรียบได้ไงมันก็ต้องกินแบ่งสิลุงไม่เห็นหรอ เขายังบอกเลยว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลน่ะไม่ได้เป็นสลากกินเรียบสักหน่อยแต่ไงกินเรียบทุกทีสิวะกินแบ่งก็จริงโว้ย <c oughs> แล้วเอ็งรู้หรือเปล่าละ่ะฮะฮะว่าเขาบิกินแบ่งกับใครอะเขากินแบ่งกับระหว่างรัฐกับกองสลากเท่านั้นละโว้ยบักสินเอ้ย <c oughs> อ่ะเอ็ดไปฟิชนาลุงนะอย่าเอ็ดไปทําไมจะเอ็ดต่อไม่ได้วะฮะอ๋อก็เดี๋ยวใครมาได้ยินก็เป็นจะเกิดเรื่องใหญ่นะโอ้ยข้าพูดความจริงใครจะกล้ามาหาเรื่องกับข้าฮะโอ้ยก็ไม่รู้หรอกเฮ้ยไม่มีใครกล้ามาหาเรื่องกับเขาหรอกเว้ยเอะก็ลองมาหาเรื่องกับข้าดูสิข้าจะเพิดหนีแทบไม่ทันจะะ้ะเฮ้ยเฮ้ยลุงนะั้นอ้วมันก็ต้องแน่จิ้วย คืนทาตัวอ่อนแอก็โดนแกล้งร่าไปสิวยออนี่พูดถึงคนอ่อนแอก็คนแกล่งแล้วก็อดนึกถึงญาติญาติของเองไม่ได้เว้ยเ อ, อลุงหมายถึงใครเหรออ้าก็ลหลานของเองไงอ๋อนึกว่าใครเฮ้ยเห็นลูกๆของพี่ยอแล้วมาก็อดใจหายไม่ได้นะลุง อ, อใครมานั่นะสิใคร น, นั่นะใคร โอ้ยนี่มองไม่ค่อยจะชัดซะ ด, ด้วยสิออาได้บักสิ น, นเอ็งสายตาดีๆนะช่วยมองทีสิว่าใครส่งเสียงเจ้าเจ้าอยู่หน้าบ้านนู่นนะฮะไหนๆอ๋ๆอก็อจะมีใครซะอีกละลุงก็ลูกสาวลุงนั่นแหละอ้าวเฮ้ยดงมาแล้วนั่นนะ ข, ของข้าวของพะลุงพลังมาเชียวละเอลุงไม่เหงาแล้วล่ะอีแดงมันมาเยี่ยมลุงแล้วดีใจไม่รู้ดีใจสิเอาเอาเอาอีแดอีแดงมามาม า, ม า, ม, า, ม, ามาหาค่าที่ซิยวโว้ยเออแหมเจ้าพ่อ เออหวัสดีหวัสดีเออแล้วหนีไปยังไงมายัางไงฮะถึงได้โผรมาถึงเทนนี่ได้ฮะก็ไม่ได้ไปยังไงมายัางไงหรอกค่ะพ่อตั้งใจมาหาพ่อเนี่ยแหละแหมดีใจเหลือเกินนึกว่าเขา้าวัรษาปีนี้ข้าจะต้องไปวัดกันสองตายายซะแล้วเออแม่มีลูกกับเขาหนึ่งคนแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันคิดถึงเองเหลือเกินนี่รู้ไหมเหรอรู้จะพาอ แต่ฉันเออแต่ฉันว่าพ่อก็ยังแข็งแรงอยู่นี่นะแมนี่เห็นแค่ภายนอกกันแน่ใจได้งางไงฮะว่าแข็งแรงจริงแค่ไหนเออแต่ฉันว่าพ่อยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะโอ้ยนี่เห็นอย่างนั้นก็ดีแล้วนะที่แข็งแรงนี่ก็เพราะทํางานอยู่ตลอดเวลาโว้ยถ้าไม่ได้ออกกำลังกายก็คงจะแย่ไปนานแล้วละแดงเอ้ยอ่ะวัดดีบัตสินมันได้อ ย, อยังล่ะฮะ อ้าวน้าสินเองเหรอเนี่ยหวัดดีค่ะนะแหมจำไม่ได้เลยนะเนี่ยเออข้ามันดูแย่มากแล้วหรือไงวะเหรอไม่ถึงขนาด น, นั้นหรอกนาแต่นะาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะนะ่ะเออบอกว่าแก่ก็ได้ไม่ว่าก็หรอกนาเดี๋ยวฉันเอาของไปเก็บก่อนนะพ่ อ, อ ไ, ไปเถอะไปเถอะอนี่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะลูกนะค่ะพอ่อเอะเอ๊เ อ, เอ ตะกี้นี้เราคุยกันถึงหรถึงไหนแล้วบักสินป์เหรอก็พูดถึงเรื่องหลานหลานของฉันยังไงล่ะลุงเออหลานหลานหลานของเองเป็นไงบ้างเหรอข้าเห็นจูงวัวจูงควายไปไร่มันทุกวันเลยส่งเสียงเจื่อยแจ้วแล้วก็ไปแย่เาสาวซะด้วยสิอ้สายสาวทั้งหลายนี่ตก็ต่างทากันเอื้อมละอากันทั้งทั้งคุ้งเลยนะเองลุงมหมโอ้ยนั่นน่ะมันลูกเมียกเก่าของพี่ยอดมันอ๋อ ลูกแบบผันที่ตายไปเมื่อหลายปีก่อนน่ะเหรอเออนั่นแหละนั่นแหละพี่ยอดก็เมีย ก, ก่อนเน่ยมีลูกด้วยกันหาออ้าคนนะ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเห็นพากันไปไร่นาเป็นขโยงทีเดียวเอตโตโรจริงๆเลยเออทําตัวเป็นพวกอันตรพานไปแล้วนะ่ะเองรู้ไหมฮะเฮ้ยทำยังไงได้เหรอะพวกนัออ้นน่ะใครสอนได้ที่ไหนกันไม่ยอมฟังใครหรอกฟังอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละเฮะ ฟังใครเอรอข้พ่อของมันยังไงละ<อ>่ะลูอมันก็อย่างนี้เลยนะเออถ้าเป็นลูกไม่ฟังพ่อแม่แล้วก็แสดงว่าไอ้ลูกคนนั้นดับบันสาละเลวมากๆและเลวมากมากนะเห็นลูกไหมเห็นลูกเมียเก่าของพี่ยอดแล้วมันก็อดสงสารพี่ยอดไม่ได้ลุงนาทําทไมอ่ะไม่เอาไหนสักคนหนึ่งให้ไปเรียนหนังสือก็ไม่เอาไหนสอบตกอยู่เรื่อย จนพ่อมันเนี่ยเบื่อที่จะจำจีจำชายแล้วลวยให้ไป ท, ไทําไรนะ่ไถนาให้เข็ดให้พวกขี้เกียจสันหลังยาวมันก็หลังสู่ฟ้านาสู่ดินไปตลอดชีวิตแหละลุงเลยถึงว่าจิโว้ยเออคนขี้เกียจเรียนหนังสือมันก็ต้องเป็นชาวนาหลังสู่ฟ้านาสู่ดินยังพวกข่ายในไง<ะ>่ศีลป์ทำแหละลุง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 เราสู้เรนอยู่ข้างเคียงกันวันนี้เธออยู่ไกลฉันไม่รู้เธอเป็น ยี่ทรงนั้นเธอลำบากไหมใจฉันยังเป็นของเธอคนที่เธอ ฉันเพราะฉันยังคงห่วงใยคืนที่เธอหนาวันที่เธอเหงาเธอจะปวดร้าวกัเจ็บสักที่ไหนเมื่อเธอ และหวังว่าเธอ คั้ลาที่ไม่มีใครได้จะนอนมองจรู้ทายกอดมอนใบเดินที่เธอเคยนอนวันนั้นแต่ฉันตั้งใจเก็บมันให้อยู่ดังเดินอย่ันที่ไปชจนตาย แม้ว่าบนเตียงจนไม่มีใครแต่ก็เหมือนมีเธอข้างกาก่อนฉันเบาๆเหมือนเคยเพียงได้กลิ่นหอมจากมอนใบเดิมที่เราต่างเธอร่วมฝันแค่ได้คิดถึงกันก็สุขใจ คลินความรักกลิ่งความรักจะใม่จะจางหายไปที่แม้ว่าวเวลามันจะนานจะเท่าไรก็มีเธอไม่รักใครกลิ่นของความรักรกลินของความรักมันยังตรึงอยู่ในหัวใจความยิ่งกว่าน้ำหอมของใครตรงไหไม่มีใครแทนที่เธอ คืนจะหนาเพียงใดต้องทนนอนคนเดียวเรื่อยไปตอนล้าในใจเท่าไรเพียงมีกลิ่นหอจะมอนใบเดิมที่เธอเคยนอนใกล้ฉันแค่ได้คิดถึงกันก็สุขใจตึ่ขความรักตืขึ้ความรัก จะจางหายไปถึงแม้ว่าวันเงินลามันจะนาจะ่เท่าไรก็มีเธอไม่รักใครเป็นของความรักกลินของความรักมันยังเตอยู่ในหัวใจหอมยิ่งกว่าน้ำหอมของใครคนไหน คิดถึงเธ อ, อยังรับยังเป็นห่วงเธอไม่ว่าเธอจะย ชีวิตเราต้องมีชวนที่ดีแล้วร้ายอาจมีใครมากมายที่ร่มสุดแต่ว่าตอนที่เราทุกใจมองหันไปไม่เคยเจอใครมีเป็นสองเราเท่านี้แลกตืทนใชีวิตคน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 ว่าไรจะมีความหมายและสค Oh, ยังยึดคำว่ารักคำนั้นยึความรู้สึกนั้นคสคนั้นมีค่ากับส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 อะไรที่มีความหมายล่รส่ง ความรู้สึกนั้นคำสำคัญนั้นมีค่ารักษาไว้ให้ดีอย่าลืมคำว่ารักคำนั้นที่เคยบอกกันแล้กันทิ้งแค่คืนวันได้เลยผ่านอย่ามอางคำบางสีมองคำบางอย่างอย่าลืคำว่ารักคำนั้ น, อ ย, น, นอย่าลืมความรู้สึกนั้น The s n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 ลูกเมียใหม่ไอ้ยอดมันล่ะฮะเป็นไงบ้างสองพี่น้องนะั่นน่ะมันดีเป็นเด็กดีนะลุงนะเชื่อฟังพ่อแม่มันดีเลืศเกินเลยใช่แล้วออไอ้ยอดเนียมันโชคดีฮะแบบนี้นะ่ะอีกหน่อยลูกเมียใหม่ของมันก็จะต้องได้ดได้ดีเองว่าไหมล่ะฮะพี่ยอดกับทองสบายมันก็หวังเอาไว้อย่างนั้นแหละลเออลูกพ่อเหมือนกัน แต่นี่สัยต่างกันราวฟ้ากับดินน่ะเองว่ามก็ยังว่าแล้ลุงลูกเมียเก่ากับลูกเมียใหม่ถ้าไม่ปองดองกันมันก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะนี่ไม่ลงรอยกันเลยเหรอก็อทํานองนั้นลุงเออด็ไอ้ศิลป์ข้าหวังว่าลูกเมียเก่ากับลูกเมียใหม่เนี่ยก็คงจะไม่ข่ากันนะเฮะ้ไม่ข่ากันตายนะเพรมเหม็นขี่หน้ากันนะข้าละ ว, วันใจแะจริงๆเชียว ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่าเอ๊มีท่าว่าจะเป็นหรือไงเนี่ยฮะก็ไม่อยากจะนึกนะลุงนะออนี่เองจะเป็นอาของพวกมันเองจะต้องปรามพวกลูกเมียเก่าด้วยเนาะรู้หรือเปล่าอก็ไม่รู้จะไปสั่งไปสอนมันยังไงเหมือนกันนะลุงเห็นอะไรไม่ชอบมาพาคนก็ว่ากันตรงๆเลยก็พวกมันมันก็โตกันแล้วน่ะลุงเออฉันล่ะกลัวว่าพวกมันน่ะจะลุกฮือขึ้นมาลุ่มฉันนะสิโอยไม่หรอกเธอะ เอ็งไม่สั่งสอนพวกมันแล้วจะให้ใครไปสั่งสอนพวกมันละ่ะฮะพ่อของมันยังไงเฮ้ยไอ้ยอดแล้วมันจะสั่งสอนแค่ไหนเฮ้แค่ทํางานก็หมดเวลาไปแล้วลูกเยอะก็ต้องทํางานหนักขึ้นฮเอ็งว่าไงมันก็จริงของลุงนะ่ะอืมอบรมสั่งสอนพวกเวนนั่นด้วยอย่าให้พวกมันกลายเป็นนักเกลงแล้วก็เป็นโจรในหมู่บ้านถ้าเป็นอย่างนั้นละก็ ได้ลงดาลกแนะ่ไอ้สิลเอ้ยอรู้แล้วล่ะลง ชฉันซื้อมาเยอะแยะเลยพ่อเ อ, อแล้วก็จัดใส่จานแล้วด้วยวเออเอออยู่ไหนละห่ะฮะอยู่ที่แคร่ไม่ภายโนอนน่ะแล้วพ่ออยากจะกินหน้าชานเนี่ยละ่ะอ้ว่าไงล่ะสินอะไรล่ะลุงข้าถามเอ็งว่าเอ็งอยากจะกินที่ไหนดีฮะลุงชวนฉันกินข้าวด้วยเหรออ้าวก็ตกองกินด้วยกันสิเออก็อิลาห์แล้วมันจัดกับข้าวเรียบร้อยแล้วนี่น ะ, ะเอาเอ า, เอากินก็ได้ แล้วจะ ก, กินตรงไหนดีก็ไปนั่งกินที่แคร่ไม้ไผ่นั่นก็ได้นะตายตนม่วงร่มเดินดิน้างล่าจะได้ไม่ต้องยกกับข้าวมาแถวนี้อีกงั้นไปกินเลยนะอปไปๆไอ้เินไปๆลไปเดี๋ยวนี้แหละลุง โอ้โหแหมก <c oughs> ับข้าวเยอะจังอีหล่าเ <c oughs> อ, อ้ยจะพอนี่ไปซื้อมาจากไหนแ้วเดียวเหอในตลา ด, ดยังไงเปล่าจ้าที่สถานีรถไฟในจังหวัด น, นะจะะพอดีรถไฟเขาจอดนานหน่อยอก็เลยลงไปซื้อที่ร้านปะาอ่อยนะจ๊ะ แกทำกับข้าอร่อยดีเออแม่นี่แม่อ้อยมันก็อยู่ทนนะเองว่าไม่ไอสินแกแล้วนะนะนะเอออายุสักเจ็ดสิบได้หรื อ, อยังได้แถวแถวนั้นแหละพวกแกเพิ่งตายไปมมันเป็นใจนี่เองอมแม่ลูกหลานก็ไม่มบแม่อ้อยแกตายไปคนนี่เกินทองให้ใครใช่หนีอเปล่าโอ้โยจะไม่อยากอะไรละลุง ก็ข่าวมู ล, ลนิธิสักก็สินเรื่องข่าวว่าแม่อ้อยนี่มันเอาไปบริจาคเด็กกัพา้าหมดแน่แนเลยอาจจะจริงของลุงนะป้าอ้อยแกเป็นคนทำบุญเหรอพ่ออืมอืมที่หนึ่งเลยละงานบุญที่ไหนไม่มีแม่อ้อยงานบุญนั้นกลอยเชยละเองเอ้ยคะแนนนั้นเลยเหรอพ่อ เ, ออเออมื่อก่อนทีชอบทำข้าวราดแกงไปขายในงานวัดขายดิบขายดีฮ้ขายเทน้ำเททาเยู่วล ะ, เ อ, ะเอ็งก็เคยเห็นไม่ใช่เหรือ เห็นสิแล้วตอนนี้ล่ะพ่อยังทำข้าวแกงขายในงานวัดอีกหรือเปล่าโ อ, อ้ไม่แล้วละแกคงจะไม่ไหวแล้วยิ่งตัวคนเดียวแล้วด้วยไม่ทำแล้วละมั้งแม้ลูกหลานเดินตายสหมดนี่แกมีลูกกี่คนนะลุงนาก็สองคนสองพี่น้องพ่อซื้อบตจัตรให้ขีได้ให้ออกดีใจยังขีไม่ค่อยแข็งเลยก็ใจร้อนขี่ออกไปถนนใหญ่ ก็เลยโดนสิบรอเสยซะตายทั้งคู่สิคนพี่ตายตายคาที่อยู่แล้วแล้วคนน้องล่ะพ่อก็ไปตายที่โรงพยาบาลนู่นห่พ่อแม่น่ยเสีย อ, อกเสียใจมากแทบจะตายตามลูกไปเลยทีเดียวชฉละน่าสงสารนะพ่อนั่นแหละสมัยนี้นะพ่อแม่ชอบซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกหลานขี่เหลือเกินข่าว่ามันเสียงตายมากมากอยู่นะ สิลอ้อนอะวิ่งไปวิ่งมาเยอะแยะเงินฉันก็โชคดีสิพ่อที่พ่อไม่ซื้อให้เออข้าไม่มีวันซื้อให้เองหรอกเว้ยจนกว่าแกจะโตแล้วก็หาเงินซื้อเองได้นั่นแหละฉันไม่อยากได้หรอกมอเตอร์ไซค์นี่ยนะอ้าวแล้วเอ็งอยากได้อะไรวะเฮะ้อยากได้รถไถานามาไถานามากกว่าพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮนี่เอ็งจะบอกข้านะเว้ยบอกอะไรพ่ อ, อ ก็บอกว่าจะกลับมาอยู่กับข้านะจ้าฉันจะกลับมาช่วยพ่อทำงานจริงๆจ้ ะ, ะดีใจไหมเจ้าพ่อ <c oughs> อีลาเฮ้ยนี่เองพูดจริงๆเลยอุย้ย <c oughs> แม่ข้าดีใจจังเลยโว้ยแม่นี่เออเออพ่อลูกได้อยู่ด้วยกันแล้วโอ้ยฮาฮาฮาฮา